อยู่ครบครบถ้วน10เดือนเนี่ยนะสิเดือนผ่านไปก็ประสูติจากพระครันของพระชนนีดุดพระยาหงทองบินออกจากจิตตกูฏบรรพ์แปลว่าไม่ได้แปดเปื้อนด้วยมนทินคือน้ําครําเป็นต้นเลยนะน้ำครําหรือน้ําครําน้ําคร่มนะว<ม>่าเป็นน้ําที่แบบระบบหมุนเวียนน่ยนะดื่มเองกินเองถ่ายเองเวียนอยู่นั่นแหละเก<ม>เดือน10เดือนนี่ยนะน้ำที่โอพวกเรานี่ประหยัดน่าดูเงี้ยนะตอนนั้น ในปาฏิหาริย์ทั้งหลายในคราวปฏิสนธิปาฏิหาริย์เนี่ยนะในคราวประสูตรก็มีเนยะที่กล่าวมาแล้วในคำพีในเรื่องของพระโกนทัญญะโพธิสัตว์พระองค์มีปราสาทสามหลังชื่อว่าสุทัศนรัตนคิและอาวิระสตรีจำนวนสามหมื่นสามพันนาขงก่อนก็แปลผิดะนะอันนั้นก็แปลผิดนะเนียตัวเลขเกินไปหน่อย พระอในสตรีส3 0 0 0นานางมีพระนางสุทัศนาเทวีเป็นประธานก็ปรากฏพระเอวตาราชกุมารนั้นอันมูเรียกว่าอันเหล่ายุวนารีผู้กล้าหารเวดล้อมแล้วก็ครองคา ร, า, ร า, าดวิสัยสเสวยสุขเรว่ามนุษย์สมบัติเนี่ยนะของสมบัติของผู้ที่เป็นมนุษย์สเสวยด้วยความสุขสบาย ที่สุดที่มนุษย์จะหาได้ประมาณ6 0 0ันปีเหมือนเทพกุมารเนี่ยนะพระองค์นั้นที่จริงเนี่ยตอนที่เสวยราชสมบัติเป็นราชกุมานเนี่ยมีความสุขนะทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็พระราชาผู้เป็นเสด็จพ่อดูแลทั้งหมดตัวเองก็มีแต่ความเพลิดเพลินไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสักอย่างเลยนะโอ้มีความสุขแท้กว่างั้นนะนะเรียกว่าเป็นเป็นชีวิตที่เหมือนกับเที่ยวอยู่ตลอดเวลานะ่ยนะ ปกติโดยทั่วๆไปเนี่ยคนเน่มีความสุขกับความเที่ยวใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์เหมือนกับเที่ยวอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่พระองค์ได้พระโอรสพระนางวารุณะนะซึ่งเป็นโอรสของพนางสุทัศนาเทวีประสูตเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะว่าประสูตโอรสกับเห็นเทวทูต นะพระองค์ก็เห็นนิมิตสีแล้วพระองค์ก็ทรงเครื่องนุ่งห่มอย่างดีเบาๆมีสีสันต่างๆสวมคุณทนมณีมุกดาหารนะทรงทองพาหุรัตนะทองพาหุรัตเป็นยังไงนะเออทองพาหุรัตมงกุฎและกําไรพระกรอย่างดีนะใครเข้าใจก็เข้าใจเอากแล้วกันเขมาไม่เข้าใจเราไอ้เครื่องประดับนี้มันเป็นยังไง ร, นะรู้จักรัตรคต พระองค์ประดับด้วยของหอมและดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอย่างยิ่งเป็นกลุ่มที่ทําความงามอย่างยิ่งเหมือนดวงจันทร์ในฤดูศาสต์เรียนะกว่าแสงจันทร์ในฤดูศาสต์เนี่ยนะที่ปราศ จ, จากมีหมอกไร้มนทีเนี่ยแวดล้อมงดงามมากพระองค์นั้นอันจัตุรงขินีเสนาทัพใหญ่เรียกว่ากองทัพที่ประกอบไปด้วยองค์สี่อันหมู่เทพชั้นดาวดึงไตรทศแวดล้อมแล้ว ประหนึ่งเท้าหาริตะมหาพรหมอันหมู่พรหมเวทล้อมแล้วเสด็จออกพิเนศกรมด้วยรถเทียมมา้าระรงก็เปลือเครื่องสับเครื่องสันพาพรแลวอาพรพร้อมสับทั้งหมดประทานเอาไว้ในมือของพนักงานคลังหลวงพระองค์ตัดพระเกศาธาตุและมงกุฎของโรงเระวรวบแล้วก็ตัดนะด้วยมีดที่ลับคมกริบเชกเช่นกลีบดอกบวกัวคมบางว่า ง, างอ่านะ เหมือนกับอะไรเหมือนกับกรีบบัวที่ไร้มนทินและไม่วิกฤแปลว่างดงามแล้วพระองค์ก็โยนเกสาและมงกุฎขึ้นไปในอากาศเท้าสะกะเทวราชก็ทรงเอาพระอบทองรองรับพระเกสาและมงกุตนั้นเอาไว้ไปยังพิภพดาวดึงทรงสร้างพระเจดีสำเร็จด้วยรัตนเจ็ประการไม่เหนือยอดขุนเขาสีเนเรุนะแปลว่าจุลามณีเจดีสถาน ที่เนื้อยอดเขาสิเนรุยอดเขาสิเนรุนี่ยนะถ้าอยากเห็นก็ไม่ยากนะั้นดูภูเขาทองไปก่อนก็อย่างนั้นแหละภูเขาสิเนรุเปรียบเหมือนภูเขาทองไว้ข้างบนก็มีเจดีเนี่ยก็ดูไปก่อนเข ก, ก็จําลองคล้ายๆกันนะนะั่นแหละนั้นว่าภูเขาทองก็ละเ ล, ลิกถึงจุลามณีเจดีสถานในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ได้เนี่ยนะก็ะนึกเอาย้อนกลับมาฝ่ายพระมหาบุรุษเรวตะนั้น ทรงครองผ้ากาสายะที่เทวดาถวายแล้วพระองค์ก็พนวดบุรุษโกดหนึ่งก็บวชตามเสด็จพระองค์โคนบวชตามมากมายพระมหาบุรุษนั้นอันบุรุษเหล่านั้นแวดล้อมแล้วทรงบำเพ็ญเพียรนะบำเพ็ญเพียรประธานนะคือการภาเพียรในการเจริญโพธิปัจกะธรรมอยู่เจ็ดเดือนในวันวิสาขบุรมีสเสวยข้าวมัทุ ป, ปายาที่ทิดาเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่า สุธาเทวีสาธุเทวีเนี่ยนะไม่ใช่สุธานะสาธุตรงข้ามเลยนะนางสาธุคว่านางสาธุว่างั้นนางดี ว, งงนะว่างั้นแปลภาษาไทยว่านางดีถวายพระองค์ก็ยับยั้งพักกลางวันณสารวันตอนเย็นก็รับย่าแดกรรมที่อาชีวกผู้หนึ่งถวายแล้วก็เสด็จเข้าไปที่ต้นนาคะ การกรทิงนี่นะอันประเสริฐที่น่าชื่นชมทรงกระทาประทักษินโพพฤกคือต้นนาคะทรงลาดสันทัดเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้ากว้าง52สอศอกแล้วก็ประทับนั่งที่ฐานความเพียรมีองค์สี่คือจะเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไตท้าไม่บรรุเป็นพระพุทธเจ้าก็ขอนั่งตายตรงนี้แหละมางันหลังจากนั้นมานเนี่ยนะ พยะมานก็ยกกองทัพมากองใหญ่เลยเพื่อจะย่างบอลังอ น, นั้นพระองค์ก็กำจัดด้วยด้วยอะไรด้วยทานาที่ทรมวิทนาด้วยบารมีมีทานเป็นต้นนะพระองค์ก็เจริญอาณาปานาสติปฐมยามระลึกชาติได้มัชิมยามเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายปัจจิมยามพิจารณาปฏิจจสมุบาทในที่สุดตรัสรู้อริยสัจ ต, ตามลําดับมรรคเป็นนะเป็นอริยมรรคจนถึงอรหัตมรรคเป็นที่ตั้งเหตุใกล้แห่ง สัพพัญยุตยานเนี่ยนะพอสัพพัญยุตยานเกิดขึ้นพระองค์ก็เปล่งพระอุทานว่าอเนกชาติสั่งสารังสันถาวิสังอเนพิสังกหะการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณัปปุนังกะหะการกะพิโธสิเป็นต้นนนะที่ได้กล่าวไปแล้วต่อจากัะ น, ะ พ, นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในพุทธวงว่าต่อจากสมัยพระสมณพุทธเจ้า พระชินะพผู้ตจ้าพระนามว่าเรวตะผู้นำโลกไม่มีผู้เปรียบไม่มีผู้เสมอเหมือนไม่มีผู้วัดได้ทรงเป็นผู้สูงสุดดังนี้ได้ยินว่าพระเรวตะาศาสดายับยั้งอยู่ที่ใกล้ต้นโผล่พฤกนั่นและเจ็ดสัปดาห์อันนี้คือเราว่าเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะพระองค์รับคำราธนาของท้าวมาหาพรหมเพื่อทรงแสดงธรรม พรรองคใครครวญว่าจะแสดงธรรมให้แก่ใครก่อนหนอะก็เห็นภิกษุโกฏธหนึ่งที่บวชกับพระองค์นั่นแหละผู้ที่บวชติดตามเนี่ยนะพวกนี้จะได้ฟังเพศก่อนเทวดาและมนุษย์อื่นเป็นอันมากที่เป็นพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยนะพระองค์ก็เห็นลนะภิกษุโกรธหนึ่งและเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์นะสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่มีมนุษย์อื่นๆไปนั่งฟังเลยนะเว้นแต่พระปัญจวัคคีย์ แต่ว่าสมัยพระพุทธเจ้าเรวัตานั้นมีมนุษย์เหล่าอื่นอยู่ด้วยพระองค์ก็เสด็จไปโดยอากาศก็คือเหาะไปเสด็จลงที่พระวิหารวรุณารามวรุณารามอันพิสุเหล่านั้นเวดล้อมแล้วทรงประกาศพระธรรมจักอันยอดเยี่ยมอนุตรังธรรมจักกังเยนะที่ลุ่มลึกนะลุ่มลึกละเอียดเลยนะ เนื้อหากกว้างใหญ่ไพศาลกว้างขวางมีปริวัติสามอาการสิบสองอย่างซึ่งผู้อื่นประกาศไม่ได้นันงะนะผู้อื่นประกาศไม่ได้ยัางมากก็สวดตามได้อย่างเดียวแค่นนัะ้นะพระองค์ก็ยังภิกษุโกดหนึ่งให้ตั้งอยู่ในพระอรหันตผู้ที่ตั้งอยู่ในมรรคผลสามเบื้องล่างกำหนดจํานวนไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสเล่า ว, ว่า แม้พระวีวตะพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเท้ามหาพรหมาราธนาแล้วพระองค์ทรงประกาศพระธรรมะซึ่งกําหนดขันธาตุอันเป็นเหตุไม่เป็นไปในภพน้อยภพใหญ่เพราะว่าพระธรรมที่พระองค์แสดงนั้นเป็นธรรมที่รอบรู้อนนันด้วยญาตะปริญญาตีรณะปริญญาในขันธ์ทั้งปวงเป็นพระธรรมที่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วจะไม่เป็นไปในภพน้อยภพใหญ่ บทว่าขันท่าทาตัววัฏฐานังกําหนดขันธาตุเนี่ยนะอธิบายว่าการจําแนกขันท่าท่าสิบแปดโดยกําหนดเป็นนามรูปเป็นต้นเนี่ยนะก็บอกว่ารูปประขันเป็นรูปนามปขันเป็นนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามก็คือขันขันทั้งหลายเป็นนามรูปก็อันนี้ยกตัวอย่างว่านามรูปทุกกะ น, ะนามรูปทุ ก, กะแต่ถ้าใครที่เรียนมาติกามาแล้วเนี่ยนะทั้งติกะมาติกาทุกกะมาตติกาอ่ะนะ ติกะปัฏฐานทุกกะปัฏฐานอะไรเป็นต้นเนี่ยก็จะเอาขันห้าทาสิบแเหล่านี้แหละไปจําแนกตามอนนะติกะมาติกาทุกกะมาติกาตามวิพังค์ทั้ง18วิพังค์เป็นต้นก็มีการจําแนกแยกแยกโดยนัยยะต่างๆการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยเพื่อให้กําหนดรอบรู้ในรู ป, ปรธรรมและอรูปรธรรมโดยสภาวะลักษณะและสามมัญลักษณะ การที่จะรู้สภาวะลักษณะพร้อมทั้งปัจจัยได้นั้นจะต้องรอบรู้เป็นอย่างมากรู้สามัญลักษณะในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นของขันธ์ห้าอันนี้เป็นการแสดงธรรมเพื่อกำหนดขันธ์ธาตุเนี่ยนะอันหนึง่งพึงทราบการกำหนดขันธ์ธาตุแม้โดยอนิจจานุปัสสนาโดยในเป็นต้นว่ารูปเปรียบเหมือนก้อนฟองน้าเพราะไม่ทนต่อการย่ำยี รูปเนี่ยมันก็จริงนะรูปของเราเนี่ยมันก็เหมือนก้อนฟองน้ําจริงๆแหละใครที่ดูฟองน้ำนะร่างกายของเราถ้าขยายย่อจนละเอียดระดับเซลล์ก็เหมือนกับก้อนฟองน้ำนั่นแหละเหมือนกับฟองน้ําที่มันจับเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มกันธรรมดาทั่วๆไปนั่นเองมันรูปจึงเหมือนกับฟองน้ําเพราะต้องขาดวิ่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นต้นในที่สุดก็อ่า น, นะเดี๋ยวก็ขาดทะลุเดี๋ยวก็แหวงอ่า น, นะ เวทนาก็เปรียบเหมือนกับฟองน้ําเพราะเรื่อนรมอยู่ชั่วขณะอย่างความสุขความสบายความเพลิดเพลินก <ๆ S 1> ็ชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นแหละสัญญาก็เปรียบเหมือนกับพยับแดดในที่สุดก็ย่อยยับไปไม่มีอะไรเป็นจริงเป็นจังหรอกเชื่อไหมความคิดทั้งหลายของเราเนี่ยมันเหมือนพยับแดดจริงๆนะความสําคัญเรื่องราวทั้งยความสําคัญเหมือนเป็นจริงเป็นจังเหมือนว่าฝนตกฟ้าร้องแดดออกเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับ พยับแดดล่อรวงไปเท่านั้นเองสังขารทั้งหลายเปรียบเหมือนกับต้นกล้วยเนี่ยนะต้นกล้วยนะตัดหัวตัดท้ายลอกกลาบไปแล้วก็ไม่มีอะไรฉันใดสังขารทั้งหลายก็เหมือนกันแยกแยะเป็นภาษาเจตนาสัณผัสเจตนาวิตกวิจารณ์อธิโมกเป็นต้นไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นเป็นชิ้นเป็นอันเลย น, นะก็เหมือนกับทีวีเนี่ยรื้อไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะนะเด่มีพระเอกนางเอก อ, อะไรซากอย่างรื้อไปดูเท่าไป ม, มีอะไรโทรศัพท์คุยกันไปนเปรื่องเป็นราวถ้าชิ้นเราถอดมาแล้วก็มีอะไรไม่กี่ชิ้นมันก็อย่างนี้แหละเหมืนอนเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารจริงๆวิญญาณก็เปรียบเหมือนกับนักเล่นกลหลอกลวงเหมือนเป็นจริงเป็นจังเลยใจเอ้อใจเนี่ยคิดอะไรว้างเนาะวันๆเ น, นี่ยนะอะไรจะหลอกลวงหลอกล่อเท่ากับใจไม่มีกแล้วนัลงเรื่อง วันนี้จิตเขาหลอกไปไงบ้างใจเอ้ยใจจะหลอกกันไปถึงไหนมันหลอกนะมันเหมือนเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นเล่าหลอกให้ดีใจหลอกให้เสียใจน้ำตาไหลท่วมอีกพักมัวหลอกคิกคักมัวหลอกเสร็จแล้วก็ร้องให้ต่อเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็เหมือนท้ามึงตึงเหมือนกับเป็นจริงเป็นจังเดี๋ยวก็เหมือนกับเลาะเลาะแหละโอ้ย อ, อะไรจะเท่ากับใจอีกแล้วเนี่ยเรียกว่ามหาหลอกลวงก็ว่ากันมหามายาหลอกลวงสิ้นดีว่างั้น แต่ก็เชื่อแล้าฝากไว้ที่ไหนบอกที่ใจบอกโอ้ยเนาะทุกอย่างบอกมันอยู่ที่ใจฝากไว้ที่ใจบอกใจดวงไหนใจกลุ่มไหนใจประเภทไหนเอาใจที่รวนเรเหมือนอะไรดีก็เลยบอกดูก่อนลิงจงหยุดนะพวกพระเถระทั้งหลายบอกลิงจงหยุดนะนะใจที่มันไหลไปตามทวารตาหูจมูกเล่นกายเนี่ยนะมันไหลไปตามทวารทั้งหลายเหล่านี้เหมือนพยาลิงหลอกหลอ่อ นั่งอยู่ตรงนี้ถ้ามันเป็นรูปประทุมมองเหมือนลิง่มันมันกระโดดเร็วยิ่งกว่าฮนุมานี่ครัเดี๋ยวก็วับนั่นวับนี่วับน้นวับนู่นนะป้ายเรื่อยัอนจึงเหมือนนักเล่นกล น, นะรูปเหมือนฟองน้ําเวทนาเหมือนต่อมน้ำนะสัญญาเหมือนกับพยับแดดสังขารเหมือนกับต้นกล้วยวิญญาณเหมือนกับนักมายากลใครที่มีปัญญาพิจารณาระดับนี้ก็นะก็ถือว่าวิปัสสนาชั้นสูง เพราว่ามีปัญญาที่สอดส่องเลือกเฟ้นเห็นความจริงของขันห้าแต่การเลือกเฟ้นเห็นความจริงของขันห้าเนี่ยนะจะได้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกาหนัดไม่ใช่รู้แล้วก็เอาไปเป็นอื่นไม่ใช่แต่การรอรู้ขันห้าเป้าหมายจุดประสงค์หลักก็คือจะได้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพื่อความดับขันห นั้นผู้ที่รอบรู้ในขันห้าตามเป็นจริงนะแยกเยะเนะที่เราบัญญัติกันว่าคนว่าสัตว์เป็นต้นแยกเยะใครครวนวินิจฉัยจำแนกอย่างละเอียดไปแล้วก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าหากว่าแยกลงไปเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นแต่ละอย่างก็หลอกลวงนะเป็นสิ่งที่หลอกลวงเรียกว่าขันห้าแต่ละอย่างนั้นหลอกลวงผู้ที่รอบรู้อย่างนี้ก็จะกําจัดความเป็นไป กำจัดภาวาภาวะกำจัดความเจริญและความเสื่อมนะใครที่รอบรู้ขันห้าจริงๆเนี่ยนะจะไม่ชื่นชมในขันห้าที่เจริญจะไม่ชื่นจะไม่เศร้าโศกเสียใจในขันห้าที่เสื่อมสลายเพราะรู้ความเป็นไปของขันห้าจะกำจัดสัสตตทิฐิกำจัดอุทเทนทิฐิกำจัดพบน้อยกำจัดพบใหญ่ กรรมจัดการมมพบรูปประพบและอรู ป, ประพบสรุปว่ากําจัดขันห้าพร้อมทั้งสมุทั ย, ยนะกําจัดขันห้าพร้อมทั้งปัจจัยอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นแสดงธรรมเพื่อกำหนดขันธ์ธาตุอายตนะปัจจัยละความสำคัญว่าเจริญและความสำคัญว่าเสื่อมละ ส, สัตตทิฏฐิ อเฉท่ทิถิเพื่อตัดพบน้อยพบใหญ่เพื่อก้าวล่วงการมาพบรูปประพบและอารูณประพบทั้งหลายนั้นการประกาศธรรมของพระองค์นั้นมีเป้าหมายจุดหมายที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งอุปัตินิมิตในพบทั้งสา ม, มีการมาพบเป็นต้นชื่อว่าภาวะเพราะเป็นเครื่องมีอุปติพบชื่อว่าอภาวะ อธิบายว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมอันทําการและความยินดีในภวะและอะภวะทั้งสองคือไม่ให้เป็นไปก็คือเสดพระองค์นั้นแสดงธรรมเพื่อให้เห็นเพื่อให้ตัดอะไรตัดตัญหาอุปาทานความเยื่อใหญ่ในพบน้อยพบใหญ่พบเล็กพบใหญ่ทั้งการมมาพบรูปประพบและอรูปประพบทั้งอุ ก, กรรมมพบและอุปปติพบเนี่ยนะตัดไม่ให้มีส่วนเหลือ นโดยที่ประกาศโทธิปัชญาธรรมเพื่อแทงตลอดอริยสัจธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นจากการแสดงธรรมของพระองค์นั้นจึงมีอภิสมัยการผู้ที่กำหนดรอบรู้กองทุกละสมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคบัรลุอสดาปฏิมรกจนถึงอรหัตมรรคนั้นไม่มีการกาหนดจานวนนับได้คือบรรลุมากมายนะ เหลือตกค้างในพวกเราอย่างที่ว่าเนี่ยแหละนะทางเรื่องนะค้างไม่ได้ยังไงเนี่ยสมัยต่อมาได้มีพระราชาพระนามว่าอรินธรรมผู้ทรงชนะฆ่าศึกในอุตรนครซึ่งเป็นนครฝ่ายเหนือได้ยินว่าพระเจ้าอรินธรรมะพระองค์นั้นทรงทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงนครของพระองค์งนะนะ ก็กิตติศัพ์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าสมัยพุทธกาลนั้นพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยน ะ, ะกิติ อ, อ่กิติเอวังกิตติสัทโธอปุขโตนะ ตังโคปะนะทักวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโธอปุคะโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสมัยก่อนมันเป็นภาษาพูดของเขาเองอะนะเขาก็ฟังแล้วเขาเข้าใจเลยทันทีอ๋อพระพุทธเจ้ามีนะ ก, กิติศัพท์ชื่อเสียงของพระองค์เนี่ยได้ขจ้อกระจายไปไกลเรื่องระบือว่าเพราะอย่างนี้นะพระองค์มีคุณสมบัติคือความเป็นพระอรหันต์มีคุณสมบัติตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์มีคุณสมบัติ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะพระองค์เนี่ยเสด็จไปดีแล้วเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าวจิตติศัพท์ชื่อเสียงอันกิติยศกระจายแผ่กว้างขวางไปในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั้นประราชาผู้เป็นใหญ่พอได้ยินข่าวทราบข่าวว่าพระองค์เสด็จมาถึงนครทรงมีชนสามโกรธห้อมล้อมออกไปรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านิมนต์เพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะบูชาด้วยปัจจัยทั้งหลาย พระองค์ก็ถวายมหาฐานเจวันแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทรงทําการบูชาด้วยประทีปบูชาด้วยแสงสว่างกว้างสามขาวุฒิสมัยใหม่ก็ไม่ยากกันนะสปอตไลท์สองเข้าไปพระองค์ก็เข้าไปณพระราชาก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ พ, พระองค์ก็แสดงธรรมอันมีนิยะวิจิตเนี่ยนะนิยกวิจิตอย่างไรบ้างก็คือแสดงพระไตรปิฎกที่วิจิตนั่นแหละ นะตามสูตรต่างๆเหมาะแก่พระหาฤทัยคือแสดงตามอัธยาศัยตามอุปนิสัยความสั่งสมทางใจของพระเจ้าอรินธรรมะในที่ประชุมนั้นเนี่ยนะได้มีเทวดาและมนุษย์ปรัสรุธธรมประมาณพันโกดสมัยต่อมาพระเรวตะทรงอาศัยอุตตรนิคมประทับอยู่นะประทับอยู่พระองค์ก็เข้านิโรธสมาบัติอยู่เวันได้ยินว่า ครั้งนั้นมนุษย์ชาวอุตรระนิคมนำเอาเข้าวต้มข้าวสวยของขบของฉันเพศัตว์และปานะเป็นต้นมาถวายมหาฐานแด่พระสงฆ์แล้วก็พากันถามว่าท่านเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนรองเนี่ยหายไปเจดวันแล้วนะเนี่ยพิกสูตทั้งหลายก็บอกแก่มนุษย์เหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้านิโรธสมาบัติดับสัญญาและเวทนา เมื่อล่วงไปเจ็ดวันพวกเขาก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากนิโรธสมาบัตินั่งนิ่งๆไม่หายใจเนี่ยนะนั่งนิ่งๆไม่หายใจดับไม่มีความรู้สึกนึกคิดเจ็วันเนี่ยนะไม่ขยับตัวแม้แต่นิดเดียวเนี่ยไม่ฉันไม่ดื่มไม่อะไรซากอย่างนั่งอย่างเดียวเนี่ยร่งโรดด้วยพุทธะพุทธะเระของพระองค์หาที่เปรียบไม่ได้ น, นะเมื่อเจ็ดวันพระองค์ก็ออกจากนิโรธสมาบัติเหมือนดวงอาทิตย์ในฤดูสากจึงทูลถามคู่นานิสง์ ของนิโรธสมาบัติว่าการเข้านิโรธสมาบัตินะค่อยๆดับตามลําดับไปจนถึงดับสัญญาและเวทนาเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรพระองค์ก็แสดงอ น, นิสงค์ของนิโรธสมาบัติแก่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นครั้งนั้นเทวดาและมนุษย์ร้อยโกรธก็ตั้งอยู่ในพระอรหันต์เนี่ยในสุทัญยวดีนครพระอรหันต์ที่บวช ด, ด้วยเอหิพิกขุ บรรพชาจํานวนนับไม่ถ้วนได้มีสาวกสันนิบาตครั้งที่หนึ่งส่วนอันแล้วก็เป็นมหาปาติโมกุเทศครั้งที่หนึ่งในเมฆระในเมฆรนครพระอราหันต์ที่บวช ด, ด้วยเอหิพิคุบรรพชานับได้แสนโกรธก็มีอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่สองพระอัครสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรวตาชื่อว่าวรุณะนะกันนี้พูดจะพูดว่าสาวกสันนิบาตครั้งที่สามเลยนะ พระอัครสาวกข้างขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยผู้สามารถประกาศธรรมจักรให้หมุนไปตามพระผู้มีพระภาคเจ้ายอดของภิษุผู้ประกาศพระธรรมจักยอดของพิสุผู้มีปัญญาทั้งหลายพระวรุณะเกิดอาพาธในครั้งนั้นพระเรวตะพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมอันแสดงถึงไตรลักษณ์นะนะ ประกาศถึงความไม่จีรังยั่งยืนความเป็นทุกข์นะความที่อำนาจของขันห้าไม่มีผู้ใดบังคับบัญชาได้แก่มหาชนนนะตรัสอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเพื่อแสดงภาวะตามเป็นจริงของขันทั้งหลายนะเพื่อต้องการถามพิสุขใหพูดถึงมหาชนที่เข้าไปหาเนี่ยนะไปถามไปเยี่ยมพระพิสุขใคือพระเรวพระวรุณะเนี่ยนะ ในที่สุดพระองค์ก็ทรงยับยั้งบุรุษแสนโกรธให้บวช ด, ด้วยเบเอหิพิคุบรญประชาและให้ตั้งอยู่ในพระอรหัสตยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในสันนิบาตประชุมด้วยองค์สี่เนี่ยนะก็แสดงว่าสาวกสันนิบาตวันมาฆาบูชานั่นเองพูดถึงว่าครั้งที่พระวรุณอระอัครสาวกข้างขวาป่วยเนี่ยป่วยถึงขนาดว่าอาพาธหนักต้องสงสัยในชีวิต ครั้งนี้พระวินุระจะรอดหรือไม่รอดเนานแต่จริงๆแล้วรอดแบอบกว่าปัตโตชีวิตะสังสายางเป็นความสงสัยในชีวิตถึงความสงสัยในชีวิตว่าพระเถระถึงความสินออมส้นชีวิตหรือยังไม่สิ้นชีวิตเนาะรอดหรือไม่รอดเนาะอธิบายว่าถึงความสงสัยในชีวิตว่าเพราะภาวะที่อาพาธรุนแรงพระเถระจะมรณาภาพหรือไม่มรณาภาพ ย้อนกลับมาหาพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะในชาตินั้นในสมัยพระพุทธเจ้าเรวตะเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อว่าอติเทวะในเมืองรัมมะวดีนครถึงฝั่งในพราหมณ์มณธรรมเรวัจจบกระบวนวิชาพราหมณ์ในยุคนั้นทั้งหมดเห็นพระเรวตะสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมกถาของพระองค์ก็ไม่สงสัยในพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณตั้งอยู่ในสาระกล่าวสดุดีชื่นชมสรรเสริญพระทศพลด้วยคาถาพันคาถาโอ้ย ชมยาวมากนะถามว่าชมเท่าไหร่ชมยาวเท่าพระเวสสันดรชาดกชมยาวขนาดนั้นชมยงแล้วก็บูชาด้วยผ้าห่มมีราคานับพันแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือพระเรวตก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ของเรานั้นว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในที่สุดสองอสงไขยกาไรแสนกับนับแต่วันพยากรณ์ดังที่พระองค์ตรัสว่า เรานั้นเป็นพรามชื่อว่าอติเทวะเข้าไปเฝ้าพระเรวะตพุทธเจ้าถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะเราสรรเสริญศีลสมาธิและปัญญาคุณอันสูงสุดของพระองค์ตามกำลังได้ถวายผ้าอุตราสง์แม้พระเรวะตพุทธเจ้าผู้นําโลกพระองค์นั้นก็สรงพยกรเราว่าผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าในกัปที่นับปรำที่หาประมาณไม่ได้นับแต่กัปนี้ พระโพธิสัตว์พอได้ฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วก็ยิ่งเลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาทานข้อปฏิบัติเพื่อบําเทญบารมีให้บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะแต่พูดถึงว่าในสมัยที่เป็นสุเมธบัณฑิตก็ใค่ครวนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งอยู่แล้วนะก็ยังมาบีรัดเข้มงวดกวดกันยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก ในครั้งนั้นเราระลึกถึงพุทธธรรมธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เพิ่มพูนจักนาพุทธธรรมคือพุทธคุณทั้งหลายที่เราปรารถนาหนักหํามาให้ได้เพราะคาว่าพุทธธรรมหมายถึงธรรมที่ทำความเป็นพระพุทธเจ้าธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าให้สาเร็จเนี่ยนะเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบทว่ายังไม่หังอภิปัติตัง เราจะนำความเป็นพระพุทธเจ้าที่เราปรารถนาอย่างยิ่งหรือปรารถนาหนักหนามาให้ได้ต้องการยิ่งนักกระอพีในเรายิ่งปฏิตังเราว่าปรารถนาความต้องการเป็นความต้องการสุดๆจริงๆว่างั้นที่เหลือก็เป็นการพยากรกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเรวตะมีเมืองชื่อว่าสุทัญยวดีพระชนกชื่อว่าพระเจ้าวิปุฬรราชพระชนนีพระนามว่าพระนางวิปุลาคู่พระอัครส า, าวกชื่อว่าพระวรุณะ และพระพรมเทวะพระพุทธอุปถากชื่อว่าพระสัมภวะคู่อัครสาวิกาชื่อว่าพระพัทนาและพระสุพัฒทาโพพึกต้นโพที่ตรัสรู้ของพระองค์ชื่อว่านาคสรีระสูงแปสองพระชนมายุหกหมืปีอัครมเหสีของพระองค์ตอนที่ยังไม่บวชชื่อว่าพระนางสุทัศนาพระโอรสของพระองค์ชื่อว่าวรุณะพระองค์เสด็จพิเนศกรมด้วยรถเทียมม้า ครั้งนั้นเปลวพระรศมีก็แล่นออกจากพละกายของพระองค์ที่ยอดเยี่ยมแผ่ไปโยอหนึ่งเป็นนิดทั้งกลางคืนและกลางวันพระมหาวีระชินะพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์ส ร, รพพสัตว์อธิฐานว่าขอาธาตุทั้งหลายของเราทั้งหมดจงเฉลี่ยให้ทั่วทั่วกันให้ทั่วถึงกันก็กระจายพระาธาตุเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระเรวตะพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วเนี่ยนะเทวตานรปูชิโตเนี่ยนะหลังจากนั้นพระองค์ก็ดับขันทปริณิพานณราจุทยานมหานาควันแห่งนครอันยิ่งใหญ่แล่พระพุทธเจ้าของเราประิณิพานที่สาล ะ, ะโนทยานเนี่ยนะก็คือที่ป่าสาระนั่นเองอันนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เรวตะปริณิพานที่มหานามหานาควัน เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากกล่าวทบทวนในตอนท้ายเพิ่มเล็กน้อยว่าในยุคนั้นมนุษย์มีอายุประมาณห0ห0ืนปีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระชนถึงเพียงนั้นก็ทรงยัง้งคือช่วยให้สัพหมชนเป็นอันมากข้ามโอเะสงสารพระเรวตะพุทธเจ้าทรงแสดงกำลังของพระพุทธเจ้าทรงประกาศอมะตะธรรมในโลกหมดเชื้อก็ดับขันธปรินิพาน เหมือนไฟสิ้นเชื้อก็ดับไปฉะนั้นพระวรกายดังรัตนนั้นด้วยพระธรรมไม่มีอื่นเปรียบเทียบได้ด้วยทั้งหมดนั้นนะคือทั้งพระร่างกายและเฟธนาสัญญาสังขารโดยเฉพาะสังขารธรรมคือปัญญาเป็นต้นของพระองค์นั้นก็อันตรธานไปสิ้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้ในที่สุดก็ เหลือแต่ประวัติให้เหลือแต่วงให้เราได้ศึกษาช่วงไม่กี่หน้าไม่กี่บรรทัด ท, ทั้งทั้งที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นบาเพ็ญบารมีมายืดยาวนานและมากมายหาที่สุดไม่ได้แต่อย่างว่าเราก็ได้อ่านไม่กี่หน้าไม่กี่บรรทัดเนี่ยนะ แต่จริงแล้วก็ยังถือว่ายังไม่สมกับพระคุณที่พระองค์เหล่านั้นได้บำเพ็ญนะได้ปฏิบัติตรัสรู้ประกาศแต่งตั้งเปิดเผยพระธรรมจักรที่โยอดเยี่ยมแสดงอริยสัจจะทำให้เป็นไปนะเราทั้งหลายก็ที่ถ้าจะกล่าวไปแล้วก็ยังไม่ทราบซึ่งในพระคุณของพระอริยสาวกที่ตรัสรู้ตามแต่อย่างน้อยการศึกษาเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อได้บูชาผู้ที่ควรบูชาได้รู้ ความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้ารู้ความเป็นธรรมดีของพระธรรมที่นำสัตว์ออกจากวัตทุกรู้ความปฏิบัติดีของหมู่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้ตรัสรู้แผ่นบุญกุศลคุณงามความดีที่ฟังวงของพระเรวัตพุทธเจ้าบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นตัดใ จ, จให้เราได้ตรัสรู้อามะตะธรรมตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยทั่วกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้